สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบาทนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากชุภาษิตครั้งที่หกสิบห้าเรื่องคนโกงพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในชุภาษิตบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดนะครับสุภาสิตบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่แปดโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าปราชูขีช่อนนั้นเป็นที่เกลียดชังของพระเจ้า แต่ลูกตุ้มที่ยุติธรรมเป็นที่ปิติยินดีแด่พระองค์เมื่อความเย่อหยิ่งมาถึงความหยามน้ำหน้าก็มาด้วยแต่ปัญญาอยู่กับคนใจถ่อมความสัตย์ซื่อของคนที่เที่ยงธรรมย่อมนาเขาแต่ความคดโกงของคนทรยุดย่อมทำลายเขาความมั่งคั่งไม่อำนวยกาไรในวันทรงพระพิโรธแต่ความชอบธรรม ช่วยกู้ให้พ้นความมรณาความชอบธรรมของคนที่ไร้ตําหนิย่อมรักษาทางของเขาให้ตรงแต่คนชั่วร้ายก็ลม้มลงด้วยความชั่วร้ายของเขาเองความชอบธรรมของคนเที่ยงธรรมย่อมช่วยกู้เขาแต่คนทรยศจะถูกราคะของเขาจับเป็นเฉลยเมื่อคนชั่วร้ายตายความหวังของเขาก็พินาศ และความมุ่งหวังของคนชั่วช้าก็สูญเปล่าคนชอบทำรับการช่วยเหลือให้พ้นความลำบากและคนชั่วร้ายเข้าไปแทนที่พี่น้องครับในบทที่สิบเอ็ดนี้นะครับจะมีหัวข้อหนึ่งที่ครอบคลุมตลอดตลอดไปจนถึงบทที่สิบห้าครับก็คือ ความตรงกันข้ามระหว่างคนชอบธรรมและคนอาธรรมความตรงกันข้ามระหว่างคนชอบธรรมและคนอาธรรมดูเหมือนว่าโซโลมอนนั้นเขียนเพื่อที่ให้ลูกๆของเขาวันดาโอรสของเขานั้นเลือกเช่นเดียวกันครับเพราะะหนาในสุปาสสิทธิอีกสีห้าบทต่อไปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องเลือกเลือกให้ดีครับ การเลือกในชีวิตของเรานั้นมีอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับทางสองแพร่งหรือตาชูตาช่างที่มีสองข้างอะไรที่มีสองแขนสองข้างทำให้เราต้องเหมือนกับอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาจริยธรรมความชอบธรรมก็เป็นเช่นเดียวกันครับ เราจะเลือกถึงกลางๆสีเทาๆไม่ได้ในสมัยนี้คนชอบเลือกสีเทาๆครับเพราะว่าอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไหนก็ตามที่มีแอร์เรียหรือพื้นที่สีเทาเยอะตรงนั้นจะมีแต่ความวุ่นวายครับดูเหมือนสุขสบายดูเหมือนปลอดภัย แต่ในที่สุดก็นํามาซึ่งความวุ่นวายเกรย์แอเรียหรือพื้นที่สีเทานั้นเป็นพื้นที่จ้องระมัดระวังสูงที่น้องครับถ้าใครมีประสบการณ์ก็จะรู้ว่าเป็นพื้นที่อันตรายชู้เราเลือกอยู่ฝ่ายคนชอบทําความชอบทําความดีความถูกต้องแม้ว่าบางครั้งเริ่มต้นอยู่ยากแต่จะอยู่ยาวนานและอยู่สบายในที่สุด เรากลับมาดูนะครับว่าตาชูขี้ช่อนั้นที่พระพุทีบอกว่าเป็นที่เกลียดชังของพระเจ้าลูกตุ้มที่ยุติธรรมเป็นที่ปิติยินดีแด่พระองค์หมายถึงชีวิตและการทําธุรกิจหรือการดําเนินชีวิตทางการทำมาหมากินคนที่มีทัศนคติที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นอย่างไร้ความยุติธรรมเขาจะเป็นผู้ที่พระเจ้าไม่พอพระทยครับและการเอารักเอาเปรียบคนอื่น ทัศนคติที่ล้มคนล้มแล้วข้ามทัศนคติที่เหยียบให้คนอื่นจมโดยที่เขาไม่ได้มีโอกาสจะกลับขึ้นมาได้อีกพี่น้องครับทัศนคติแบบนี้เป็นทัศนคติที่พระเจ้าไม่พอพรทยัยถึงขณะที่พระเจ้าทรงเกลียดชังด้วยซ้าดังนั้นเองคริสเตียนจึงไม่ควรทําธุรกิจที่คดโกง หรือเอารัดเอาเปรียผู้อื่นอย่างมากเกินไปอย่างไม่ถูกต้องพี่น้องครับตาช่างที่ไม่ไม่เที่ยงบ่งบอกถึงการการขาดขาดความเที่ยงตรงในใจตาช่างที่ไม่เที่ยงบ่งบอกถึงการขาดความเที่ยงตรงในใจตาช่างที่ไม่ซื่อบ่งบอกถึงความอยุติดธรรมความลําเอียงในใจ พี่น้องครับในขณะเดียวกันที่เราทํามาหากินการค้าขายการทําธุรกิจเราต้องยึดความยุติธรรมครับความถูกต้องการไม่เอารัดเอาเปรียบการไม่โกงก็จะเป็นที่พระเจ้าพอพระทยัยการช่อโกงนั้นถือว่าเป็นความไม่ซื่อสัตย์อย่างหนึ่งครับพระเจ้าทรงโปรดปรานคนที่ซื้อสาเหตุที่คนคดโกงก็หนึ่งจากว่าต้องการได้เงินเยอะ เพื่อตัวเองจะได้ใช้จ่ายจะได้เก็บหรือเพื่อตัวเองจะเอาไปแสวงหาเกียรติยศศักดิ์ศรีเพิ่มเติมคนที่เอาเงินไปซื้อเกียรติยศศักดิ์ศรีอันจะนำไปถึงความเยื่อหยิ่งจองหองครับคนคนนั้นและคนที่เยื่อหยิ่งจองหองหรือคนที่อยากได้รับเกียรติอย่างไม่สมควรในไม่ช้าเขาจะอับอายครับในไม่ช้าเขาจะอับอายเพราะฉะนั้นให้เราตั้งต้นให้ถูกครับ อย่ากโกงเพื่อที่จะเงินเยอะอย่ามีความอยากได้เงินเยอะเพื่อใช้เงินไปซื้อหรือสมัครหาเกียรติยศศักดิ์ศรีแล้วหลังจากนั้นคนที่เยอะยิงหรือคนที่อยากได้เกียรติยศศักดิ์ศรีก็จะได้รับเกียรติอย่างไม่สมควรได้เขาจะถูกห้อมล้อมด้วยคนที่ยุบโยกป้อปั้นเขาและไหนไมีช้าเขาจะอาบอายครับเพราะว่าความสามารถไม่ถึงหรือเขาไม่สมควรได้รับ เกยติยศศักดิ์สิทที่ได้มาจากเงินในการช่อกงนั้นอยู่ไม่นานครับเมื่อถึงเวลาจะถูกเปิดโปงและนํามาซึ่งความน่าอับอายขายหน้ายิ่งนักเพิ่มพี่บอกว่าความเ ย, ยื่ยยิงมาก่อนการลมุมในทางกลับกันครับคนที่ฉลาดนะครับก็คือคนที่ถ่อมใจและคนที่ฉลาดนั้นเขามักจะอยู่นิ่งๆด้วยความถ่อมใจด้วยอากัปกิริยาที่ไม่โอ้อวดเพียงครับเรามาดูความจริงอีกประการหนึ่งก็คือว่าคนที่ชื่อสัต์ เขาจะมีความซื่อสัตย์คอยนำหน้าเขาคนที่ชอบทำก็จะมีความชอบธรรมนำหน้าเขาแต่สำหรับคนคดโกงครับความคดโกงจะทาลายเขาคนรวยเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่สามารถที่จะซื้อนะครับซื้อชีวิตของตัวเองกลับคืนมาเอาเงินช่วยตัวเองให้พ้นจากความตายได้แต่ความชอบธรรมจะช่วยคนชอบธรรมได้คนชอบธรรมจะ ปลอดภัยในวันพิพากษาพี่น้องครับความสัตย์ซื่อนั้นทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นครับ Life is more easier Life is more easier นะครับสำหรับคนที่สัตย์สื่อสำหรับคนที่เฟรชฟูลนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ต้องคอยเอาอกเอาใจคนอื่นนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์เราเป็นคนที่ทำงานได้เราเป็นคนที่มีความสามารถในระดับ ที่ถึงพอใจเราไม่ต้องคอยเอา อ, อกเอาใจคนอื่นครับหรือเราไม่ต้องคอยจดจำคําโกหกของเราแต่สาหรับคนชั่วรายนั้นชีวิตของเขานั้นยุ่งยากครับเขาต้องคอยเอาเอาใจคอยพรีสคนอื่นและคอยจดจำคําโกหกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาจะพูดไม่ตรงกันพี่น้องครับคนชอบทมจะได้รับการช่วยชีวิตของตนจากความชอบธรรมของตนในอดีต อย่าลืมนะครับแต่ผู้นี่ไม่น่าไว้วางใจเขาจะตกอยู่ในความโลภเขาจะถูกคนอื่นไม่ไว้วางใจและถูกจับได้โดยความโลภของเขาเองจะตกอยู่ในกับดักที่เขาขุดไว้ความหวังของคนอธรรมจะพินาศไปเมื่อเขาตายครับไม่มีความหวังใดๆหลงเหลืออยู่ชื่อเสียงก็เสียหายสูญหายไปหมดอ น, นิจจังและกินลมกินแรงแต่พระกัมภีร์บอกว่าคนชอบทํานั้น จะได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากแล้วความทุกข์ยากลาบากเหล่านั้นเนี่ยพระเจ้าจะส่งคนชั่วร้ายเข้าไปอยู่แทนที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สุดยอดครับพี่น้องครับคนชอบธรรมจะได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากและพระเจ้าจะส่งคนชั่วเข้าไปอยู่แทนที่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่พระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้จะทําให้เรา มีชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมครับเราจะเห็นชีวิตสองแบบครับให้เราเลือกเสมออาเมน